พระเถระอีกรูปหนึ่งนามว่าติสพูธเถระในวิหารนั้นนั่นเองเรียนพระวินัยเข้าไปภายในบ้านในเวลาพิกขาจาร์ น, นะวัดเดียวกันนี่แหละก็เรียนธรรมวิไนกันจริงแหละพอเรียนเสร็จวันหนึ่งะนะท่านก็ไปแลเห็นวิสภาคารมเข้าก็คือพระหนุ่มถ้าไปเห็นวิสภาคาก็คือไปเห็นหญิงสาวนั่นแหละท่านก็เกิดความโลภขึ้นท่านเนี่ยทาเท้าที่ยืนอยู่อย่างนั้นไม่ให้เคลื่อนไปไหน นนะก็คือพอรับอาหารบินธบาศของโยมเสร็จนะก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นแหละเทเข้าต้มในบาทของตนลงไปในบาทของพิสุนมุ่มผู้เป็นอุปถักคือเขาจะมีอุปถักติดตามมาด้วยนะแสดงว่าพระเถระรูปนี้พรรษาเกินสิบก็มีลูกศิษย์พร ะ, ะติดตามอุปถักต์มาหนึ่งองค์พอรับบาศของโยมเข้านึกชอบคนใส่บาศเนี่ยนะก็เลยไม่ชันนะก็เลยเทอาหารในบาเนี่แหละให้พิสุที่ตามไปด้วยบอกไม่ฉันแล้วมนัน ก็เลยคิดว่าความคิดนี้หรือวิตกนี้เพิ่มมากขึ้นจะทําให้เราเนี่ยจมลงในอบาย4ี่เนี่ยนะถ้าปล่อยให้ความคิดอันนี้เกิดเสียหายแน่จึงกลับที่จากที่นั้นไปยังสํานักของอาจารย์ที่มาเรียนธรรมวินัยด้วยเนีนะไหว้แล้วก็ยืนอยู่ณที่ควรส่วนหนึ่งแล้วก็กล่าวว่าพยาธิคือโรคอันหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นแก่ผมแล้วผมไม่สามารถจะเยียวยามันได้นีมันบอกว่านี่ท่านป่วยแล้วนะเกิดกิดเชื่อมาละ จึงมาหาไม่ได้มาโดยเรื่องนอกนี้เลยเนี่ยนะที่มาเนี่ยเพราะว่าติดโรคมาแล้วขอท่านโปรดตรวจ ด, ดูกับผมตั้งอุเทศกลางวันและอุเทศตอนเย็นอย่าตั้งอุเทศในเวลาใกล้รุ่งเลยครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็ไปยังสำนักของพระมลยาวาสิมหารกิทธเถระพระเถระกำลังทำการล้อมรั้วบรรณศาลาของตนเนี่ยนะคือกุติเขากุติใบไมนะ้อนะไเสร็จแล้วก็หาไม้ไผ่หาอะไรมาล้อมล้อมรั้วสหน่อย ท่านไม่มองดูภาพรูปเนี้ยก็ไม่มองนะไม่มองใครที่มากล่าวว่าผู้มีอายุจงเก็บงําบาทและจีวรของท่านเสียอ่า น, นะก็ไปเก็บบาทเก็บจีวรไปอ่า น, นะคือไม่มองว่าใครมาแ่ะแต่ว่าสั่งให้ไปเก็บบริคามได้เลยแบบนั้นพิสูจนนั้นก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญกับผมมีพยาธิอยู่อย่างหนึ่งถ้าท่านสามารถเยียวยา ม, มันได้ไซส์กับผมยิงจะเก็บงําหมายวา่ถ้าท่านบอกรักษาโรคผมได้ผมจะอยู่ด้วยถ้าพอท่านบอกวิธีรักษาไม่ได้ผมไม่อยู่หรอกว่านั้น พระเถระกล่าวว่าผู้มีอายุคุณมายังสำนักของท่านผู้สามารถเยียวยาโรคที่เกิดขึ้นแล้วคุณจงเก็บงำเชื้เถิดเนี่ย น, นะเอาไปเก็บเซะเนะแก่ไม่ยา ก, กอย่างั้นภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายก็คิดว่าอาจารย์ของพวกเราไม่รู้คงไม่กล่าวอย่างนั้นแล้วก็วางบาตรและจีวรแสดงวัดแก่พระเถระไหว้แล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระเถระรู้ว่าผู้นี้ราคะจริตก็ได้บอกอสุภะกรรมฐาน ท่านลุกขึ้นคล้องบาดและจีวรเอาไว้บนบา่า น, นะไปรับกรรมฐานก็ไม่ได้มากอะไรนะเพราะท่านเป็นผู้ที่เรียนมามากศึกษามามากอยู่แล้วอะ่ะแต่ทีนี้ว่าอย่างว่านะหมอป่วยก็ยังไปหาหมอด้วยกันอยู่ดีบหมืันนี่นี่ก็เหมือนกันพอเรียนธรรมะเข้าเออกุศลมันเกิดก็เลยเข้าไปหาอาจารย์อาจารย์ก็เลยบอกก็ไม่ต้องบอกมากอะไรก็เลยเก็บบารเก็บจีวรคล้องบ่าไหว้พระเถระไหว้แล้วว่า้าอีกเห็นไหมกราบปล่อยเหลือเกินเหมือนกัน พระเถระก็ถามว่าท่านมหาพูดทําไมคุณจึงแสดงอาการเคารพนอบนอบเหลือเกินเนี่ยนะแค่ว่ากราบแล้วกราบอีกเอ๊ะกราบเหมือนกับว่าจะยังไงนี่เหมือนสั่งเสียเหมือนกันท่านก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญถ้ากระผมจักทากิจของตนได้ไซส์กิจของตนก็คือไตรสิกขาใช่ไหมถ้าทํากิจคือการบําเพ็ญไตรสิกขาได้ไซส์ข้อนั้นเป็นการดีถ้าไม่ได้เช่นนั้น น, น, นะนะคือทาไ ม, ม่ได้บรรลุผลนิพพานอ่ะ น, นะการเห็นครั้งนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายของผม น, น, นะนะคือคือสรุปว่าจะลาไปตายแล้ววนะ่ถ้าบรรลุก็ดีไปก็ยังได้คุยกันอีกท า, าไม่บรรลุก็ผมลาตายแล้วภาเทระก็กล่าวว่าท่านมหาพูดไปเถิดฌานก็ดีวิปัสสนามักผลก็ดีกุลบุตรผู้ประกอบความเพียรเช่นนั้นได้ไม่ยากหรอกว่างั้นถ้ามีศรัทธาจริงปฏิบัติตามจริงเนี่ยนะไม่ยากหรอกว่างั้น ภิกษุนั้นฟังถ้อยคำของพระเถระแสดงอาการนอบน้อมแล้วก็ไปสู่โคนก่อไม้ก่อไม้มะลื่ น, นะนไม้มะลื่นเป็นยังไงไม่รู้มะมืน่นมะลื่นเลยนะ <c oughs> มะมื่น <c oughs> แต่เป็นต้นไม้ที่มีร่มะนะที่ตนกำหนดไม้ตาเอาไว้ตั้งแต่ตอนมานั่งขัดสมาธิธรรมสุภากรรมฐานให้เป็นบาทเริ่มตั้งวิปัสนาดำรงอยู่ในพระอรหันตทนแสดงปาฏิโมกนะ บรรลุไม่นานนะไปลงปฏิโมกต่อได้เลยในเวลาใกล้รุ่งพิสูจเห็นปานนั้นข่มกิเลสได้ด้วยอํานาจคันทะเป็นอันชื่อว่าข่มได้ด้วยประการฉะนั้นเนี่ยนะก็คือเรียนคําสอนไปด้วย น, นะพิจารณาถึงถ้าปล่อยอย่างนี้กิเลสก็คงกําเริบเสบสามก็ภาพเพียนพยายามปฏิบัติจนได้บรรลุมรรคผลผานผู้ที่ศึกษาปริยัตเนี่ยนะก็ศึกษาก็ดีอยู่แล้วเนี่ยนะแต่กิจที่ควรบําเพ็ญก็คือปฏิบัติเพื่อที่จะละบาปอากุศลต่อไป นี้พูดถึงภิกษุที่อาศัยการข่มกิเลสได้ด้วยธูดงเนี่ยนะว่าก็เมื่อภิกษุบางรูปบริหารธูดงโดยในดังกล่าวแล้วนั่นแหลกิเลสย่อมไม่ได้โอกาสกิเลสนั้นเป็นอันท่านข่มไว้ได้ ด, ด้วยอำนาจแห่งธูดงท่านทํากิเลสนั้นให้เป็นอันข่มได้แล้วนั่นแลคลายกําหนัดได้แล้วยึดเอาผ้ารหัสไว้ได้เหมือนท่านพระมหาสีวะเถระผู้อยู่ที่เงื้อมเขาใกล้บ้าน น, น, นะองค์เดียวกันกับใน มหาสกะปัญหาสูตรนะองเดียวกันกับในสกัดปัญหาสูตรแต่วิธีเล่าอาจจะเล่าแตกต่างกันนิดหน่อยเนี่ยนะได้ยินว่าพระมหาศีวะเทระอยู่ในติดสัมหาวิหารใกล้มหาคามสอนพระไตรปิฎกกะภิกษุขคณะใหญ่18คณะทั้งโดยอัดทั้งโดยบาลีเนี่ยนะแสดงว่าเก่งมากนะพระไตรปิฎกอัจฉริยดีกาเนี่ยนะอยู่ในความคิดหมดล้เนี่ยนะรอบรู้ชํานาญขนาดนั้นสอนพิสุขหกหมืรูป ตั้งอยู่ในโอวาทของพระเถระบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะลุกศิษย์เป็นพระอรหันต์เป็นหมืนม่นๆนะนะคล้ายๆกับพระโปติละเลยสอนคนอื่นบรรลุหมดเหลือแต่คนสอนอย่างเดียวนะของเรากาเมื่อไหร่จะได้อย่างนั้นว้างเนาะ <c oughs> บรรดาพิสูจเหล่านั้นพิสูรูปหนึ่งปรารภธรรมะที่ตนได้แทงตลอดแล้วคือปรารภมรรคผลนิพพานที่ตัวเองบรรลุแล้วก็เกิดความสมมนัต ด, ดีใจขึ้นคิดว่า ความสุขนี้มีแก่อาจารย์ของเราบ้างไหมเนาะนะพอบรรลุแล้วก็คิดถึงอาจารย์บ้างพิสูจนนั้นเมื่อคำหนึงอยู่ก็รู้ว่าพระเถระยังเป็นปุถุชน อ, อาจารย์นี้ยังไม่บรรลุนี่คิดว่าเราจะให้ความสังเวชสลดใจเกิดขึ้นแก่พระเถระด้วยอุบายนี้เนะหหาเรื่องไปให้อาจารย์สลดใจสัหน่อย <c oughs> จึงจากที่อยู่ของตนไปยังสำนักของพระเถระไหว้แล้วก็แสดงวัดแล้วนั่ง <c oughs> ลำดับนั้นพระเถระกล่าวกับพิสูจนนั้นว่าท่านบินดปาติกะมาทําไมพิสูจนนั้นกล่าวว่าท่านครับกระผมมาด้วยหวังว่าถ้าท่านจักกระทําโอกาสแก่กระผมกระผมจักเรียนธรรมบทเนี่ยนะบทหนึ่งก็คือถ้าท่านมีเวลาให้ผมบ้างผมก็ขอเรียนธรรมะหน่อยอย่างนั้นพระเถระกล่าวว่าผู้มีอายุภิกษุเป็นอันมากเรียนกันท่านจักไม่ได้โอกาสดอกก็ถามไล่เวลาไปเรื่อยนะถ้าเวลาเนี่ย เวลาเชา้าอ่ะสายหน่อยตอนฉันเพนอะ่ะหลังจากฉันอะ่ะตอนบ่ายตอนหัวค่ําตอนปฐมมายามัชชิมยามเหมนนะไล่เวลาไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยเอย่ะไม่มีเวลามีแต่เวลาสอนหมดอะ่ะคิดดูลูกศิษย์เป็นหมื่นๆ น, นะสอนตั้งสิบแปดคณะอ่ะนะมันจะมีเวลาไหนเนี่ยนะมันก็ต้องถามเวลาไปเรื่อยๆก็ไม่มีโอกาสว่างเลยะนะท่านลูกศิษย์ท่านก็บอกว่าเมื่อโอกาสไม่มีอย่างนั้นท่านจะได้โอกาสแห่งมรณะอย่างไรนะ <laughs> ถ้าตั้งคำถามว่าโยมไม่มีเวลาศึกษาธรรมะบ้างเลยบอกแหมวันนั้นเวลานั้นนัดนๆๆัด น, ด น, ดนดัโอ้โหอย่างนี้ไม่มีเวลาตายบ้างเลยอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันนะอันก็นไปว่าอาจารย์ท่านว่าอย่างนี้อาจารย์ก็ไม่มีเวลาตายเลยสินี่อนะเพราะมีแต่เวลาหมดเลยนะตั้งแต่เช้าสายบ่ายค่าอานะปฐมมายามไปจนถึงสว่างเอกเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีเวลาตายเลย อาจารย์นี้ก็เลยคิดว่าภิกษุนี้ไม่มาเพื่อเรียนแต่เธอมาเพื่อทําความสังเวชให้เกิดขึ้นแก่เราอาจารย์นี่รู้ทันทีเลยเอย๊พูดอย่างนี้ไม่มาเรียนนี่มาเตือนเรานี่มันภิกษุนั้นก็เลยกล่าวว่าท่านผู้เจริญธรรมดาว่าภิกษุพึงเป็นเช่นเราดังนี้ไหว้พระเถระจริงๆอาจารย์เนี่ยจาไม่ได้ว่าเนี่ยลูกศิษย์นะนะที่ที่เคยสอนไปนั่นแหละแต่ว่าท่านจําไม่ได้พอไหว้เสร็จท่านก็เหาะไปในอากาศ มีสีเหมือนแก้วมณี น, นนะก็เหาะไปต่อหน้าอาจารย์นั่นแหละพระเถระก็เกิดความสังเวชว่าตั้งแต่เวลาที่พิสูจนนั้นไปแล้วบอกอุเทศตอนกลางวันและตอนเย็นวางบาตรและจีวรไว้ใกล้หัตถบาตหัตถบาตก็คือบ่วงมือนะบาสะแปล ว, ว่าบ่วงหัตถาก็มือนะบ่วงมือก็วางบาตรวางจีวรไว้ใกล้ๆแล้วเวลาใกล้รุ่งก็เรียนอุเทศ น, นะก็สอนไปแล้วก็ถือบาตรจีวรลงไปกับพิสูจนผู้กําลังลงไปอยู่ เนี่ยนะก็คือถือบาทถือจีวรไปเองอะนะลูกศิษย์ก็ไม่ได้สังเกตว่าอาจารย์เนี่ยออกไปด้วยเหมือนกันเนี่ยนะมันถ้าจะว่าไปแล้วลูกศิษย์ก็อดเรียนไปเยอะเลยแหละพอท่านจากไปจากตรงนั้นแล้วก็อธิษฐานธุดงค์สิบสามให้บริบูรณ์ไปยังเสนาสนะเงื้อมเขาใกล้บ้านปัดกวาดเงื้อมเขาแล้วก็ยกเตียงและต่างขึ้นผูกใจว่าเรายังไม่บรรลุปเป็นพระอรหันต์จักไม่เหยียดหลังบนเตียงเนี่ยนะ ไปถึงเนี่ยคิดเลยนะผูกใจไว้เลยไม่บรรลุไม่นอนอ่ะนะอันนี้ท่านเข้าใจเลยนะของเรายังไม่รู้ว่าเขาบรรลุอะไรเลยนะไปถึงแล้วก็ไปผูกใจบ้างอ่ะนะไ อ, ะอะ้ที่ตายนี่ได้จริงอยู่หรอกแต่ว่าไอ้บรรลุไม่แน่ทานก็เลยลงสู่ที่จงกรมอ่ะนะก็ไปเดินถ้าไปเดินนี่จะไปกําหนดอะไรก่อนอันแรกคุณวุณชูสมุทรเออเนี่ยที่เดินยงกรมตรงนี้แหละดีละสมมติผู้การอุปถากคําที่จงกรมทรายให้อย่างดีเลยนะ ไปก้าวแรกนี้จะกำหนดว่ายังไงขวาย่างอย่างนี้หรือเปล่าเลยไปขึ้นต้นว่าโอ้นี่รูปกำลังเดินอยู่นะนี่ไปไปปรับยังไงต่อไปเนีย่ยนะให้มันพอสมดุลกันหน่อยว่าจะบรรลุได้นะก็คือไอไอจุดมุ่งหมายตั้งไว้เพื่อบรรลุมรรคผลใช่ไหมพอไปเดินยังไม่ทันรู้อะไรเลยจะเอาแต่มรรคผลมันก็ไม่ได้นะเหมือนกับไปสแสวงหาในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จักมาก่อนเนี่ยนะจะเห็นเรื่อง เพระนั้นี้ท่านก็ไม่แปลกใจอยู่แล้วเพราะท่านทรงพระไตรปิฎกอยู่แล้วเนี่ยนะสอนคนอื่นบรรลุมาเยอะแยะท่านก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรว่าจะต้องปฏิบัติยังไงพอท่านลงสู่ที่จงกรมก็พยายามอยู่ด้วยหวังใจว่าเราจกบรรลุพระอรหันต์ในวันนี้กําหนดด้วยนะว่าจะต้องบรรลุภายในวันนี้ด้วยนะแสดงว่ามีความเข้าใจในคําสอนชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยนะก็คิดดีว่าเราจะต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันนี้คิดอย่างนี้ทุกวันน่ยนะ สามเดือนผ่านไปวันปวารณาก็มาถึงนะวันออกพรรษาละใกล้วันปวารณาท่านคิดว่าเรายัางละความเป็นปุถุชนปวารณาเป็นวิสุทธิปวารณาคือปวารณาแบบผู้บริสุทธิก็ลำบากอย่างยิ่ ง, งนะนะคือไม่ได้บรรลุแล้วทำไงท่านไม่สามารถจะทำมรรคผลให้เกิดขึ้นในวันมหาปวารณาได้จึงกล่าวว่าผู้ปรารบวิปัสนาแม้เช่นเราก็ยังไม่ได้พระอรหันต์นี้ ช่างเป็นคุณอันได้ยากจริงเนาะเนี่ยนะตอนแรกที่ไปนี่คิดว่ามันไม่ยากานะนะเดี๋ยวกลับมาก็ทันอยู่แล้วเนี่ยนะสอนลูกศิษย์ไม่ต้องลาอะไรมากม่เนะีเดี๋ยวไปปฏิบัติให้บรรลุ ก, ก่อนแล้วกลับมาใหม่ไม่ยากพอเอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่ได้อะ่ะจึงเป็นผู้มากไปด้วยการยืนและการเดินโดยทํานองนี้แหละกระทําสมณธรรมตลอดสาสิบปีเนี่ยนะไอ้คิดจะบรรลุวันนี้ทุกวันทุกวันคิดอยู่สามสิบปีนะปีละสามร้อยกว่าวันเนี่ยคิดอย่างนี้กี่พันครั้งนะ คิดอยู่เป็นพันๆครั้งว่าจะบรรลุวันนี้จะบรรลุวันนี้คิดอยู่ทุกวันน่ะนะทีนี้วันหนึ่งท่านเห็นพระจันทร์เพ่นลอยเดินอยู่ท่ามกลางดิถีวันมหาปวรณาเพราะวันวันออกพรรษาเนี่ยถ้าไม่มีเมฆมีหมอกมีอะไรนะจะมีพระจันทร์ที่เต็มดวงขึ้นอ่านะพอเห็นพระจันทร์เต็มดวงแล้วเราจะคิดว่ายังไงกันอ่านะท่านก็เลยคิดว่าดวงจันทร์นี้บริสุทธิ์หรือศีลของเราเนี่ยพึงบริสุทธิ์ จะคิดดูนะว่าท่านบำเพ็ญไตรสิกขาจริงๆท่านเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งท่านจะต้องคิดถึงไตรสิกขาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะไม่คิดถึงศีลก็สมาธิไม่คิดถึงสมาธิก็เป็นปัญญาเนี่ยนะก็จะปรารบในสประการนี่แหละเพราะว่ากิจของท่านคือการบำเพ็ญไตรสิกขาอยู่แล้วพอเห็นพระจันทร์ลอยเด่นเต็มดวงอย่างนั้นท่านก็คิดว่าศีลของเราหรือพระจันทร์นี้บริสุทธิ์กว่ากัน ท่านก็รำพึงต่อไปว่าในดวงจันทร์ยังมียังปรากฏมีลักษณะรูปกระต่ายเนี่ยนะแต่รอยดำหรือจุดด่างในศีลของเราตั้งแต่เราอุปสมบทจนถึงทุกวันนี้ไม่มีพระจันทร์ยังดูมีตำหนิยังดูเป็นครุขระไปเลยนะแต่ศีลของเราเนี่ยพิจารณาดูแล้วอะจุดตำหน้าตาหนิหน่อยเดียวก็ไม่มีพอคีดถึงศีลอย่างนี้ที่บริสุทธิ์มาตลอดเนี่ยนะ ก็คิดดนะเฉพาะที่เริ่มปฏิบัติเนี่ยสาสิบปีแล้วบวชมาตั้งแต่เท่าไหร่ท่านคิดนังก็บวชขึ้นมาเลยท่านไม่มีความเศร้ามองอะไรแม้แต่หน่อยเดียวก็เกิดโสมนัสเกิดปีติขึ้นเพราะยานแก่กล้าก็บรรลุเป็นพระอรหันต์คือไม่ใช่ปีติแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ยนะตามสูตรเขาว่าไงพอปีติเกิดอะไรเกิดเอาตามสูตรนะปัสสัทธิเกิดเมื่อปัสสัทธิเกิดอะไรเกิดสุขเกิดเมื่อสุขเกิดอะไรเกิด สมาธิเกิดเมื่อสมาธิเกิดอะไรเกิดยะถาภูตยานทัศนะการรู้เห็นตามความเป็นจริงก็เกิดและอะไรเกิดอีกนิพพิทาก็เกิดเนี่ยนะความเบื่อหน่ายก็เกิดเมื่อเบื่อหน่ายเกิดวิราคะคืออริยมรตก็เกิดเมื่ออริยมรคเกิดวิมุตติคืออริยผลก็เกิดวิมุตติยานทัศนะคือปัจเจกขณะยานก็เกิดเกิดอย่างนี้สี่ครั้งสครั้งเนี่ยนะคืออย่างนี้ผ่านไปจนถึงปัจเจกหนึ่งครั้ง แล้วก็รอบอันนะรอบแรกเรียกว่าโซดาปฏิมัติโซดาปฏิผลหนึ่งรอบรอบที่สองก็เป็นสกะธาคารมีรอบที่สาก็อนาคารมีรอบที่สี่ก็เป็นผ่ารหันเนี่ยนะท่านก็รวบเลยโน่นอ่ะพอปีติและวอรหัตผลเือนะพอรัดช่องว่างเอาไว้เยอะแ ย, ยะไปหมดเลยเพราะว่าตรงนี้ท่านเน้นที่จะเล่าเรื่องนะท่านไม่ได้เน้นบอกถึงวิธีการปฏิบัติและผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นภิกษุเห็นปานี้ขมกิเลสได้ด้วยอํานาจทุดง เป็นอันชื่อว่าข่มกิเลสได้แล้วโดยประการนั้นนั่นแหละ น, นะเน้นพิเศษทุดงของท่านคือเนสัตชิก ค, คือไม่ใช้อิริยาบถนอนใช้อิริยาบถสมตลอดถามว่าเอาแล้วท่านหลับยังไงพิงกระดานหลับเอาหรือนั่งหลับเนี่ยนะถ้าถ้าไม่พิงกระดานท่านก็ใช้แบบผ้าผ้าผูกที่เขาเนี่ยนะแล้วก็ยาวมาที่หลังเนี่ยนะก็เรียกว่าผ้ารัดเข่าเนี่ยนะไว้ที่หลังนันมันก็จะไม่ล้มอ่ะนะก็พอจะหลับได้ อ น, นะแล้วจะได้รีบตื่นมาเจริญต่อเนี่ยนะของเราเอ๊ะทาไมหลับแล้วเอตื่นแล้วทำไมมันไม่หลับนะเนี่ยนะเดือดร้อนเพราะไม่หลับอ่ะ น, นะของท่านเดือดร้อนเพราะหลับนานเกินไปทีนี้พูดอย่างที่สี่นะอย่างแรกก็เอ่ออย่างที่สามเมื่อกี้พูดถึงด้วยอํานาจของทูดงอย่างที่ต่อไปคือสมาบัติหรือฌานอ่ะ ภิกษุบางรูปมากไปด้วยการเข้าปฐมฌานเป็นต้นโดยในดังกล่าวแล้วนั่นแลกิเลสย่อมไม่ได้โอกาสเป็นอันข่มไว้ได้ด้วยอํานาจของสมาบัติท่านกระทํากิเลสให้เป็นอันข่มได้โดยประการนั้นนั่นแลคลายกําหนัดได้แล้วย่อมยึดพระอระหันต์ไว้ได้เหมือนพระมหาติสสะเถระนะพระมหาติสสะเถระนี้ก็ได้สมาบัติ8ตั้งแต่เวลาที่มีพรรษา8ปดนะแพรรษานี้ได้ สมาบัติ8เลยนะก็คือได้ทั้ง ร, รูปสมาบัติและอรูปสมาบัติเพราะฉะนั้นกสินสิบเนี่ยสบายเนี่ยนะกะสิน1ิกลุ่มที่สมาถานะนัถือว่าถึงฝั่งหมดและจบหมดท่านกล่าวธรรมะได้ใกล้เคียงอริยมมาก น, นะคือท่านเจริญทั้งสมาถะและวิปัสนาเนี่ยนะควบคู่กันความที่ท่านได้สมาบัติท่านก็เลยสำคัญว่าท่านเป็นพระอารหรันเนี่ยนะ ได้สมาบัตด้วยเจริญวิปัสนาอย่างอย่างมากด้วยเนี่ยนะเกือบเกือบจะได้มรรคผลและความที่เรียนเรื่องมรรคผลมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะก็เลยนึกว่าตัวเองได้บรรลุแล้วเพราะกิเลสที่ถูกข่มไว้ได้ด้วยสมาบัตไม่ฟุ้งขึ้นแม้ในเวลาที่ท่านมีพรรษาหสิบนะรรษาหกสิบก็ได้ตั้งแต่สมาบัติ8ดถึงพรรษาหกอายุสักเท่าไหร่หลวงพ่อนี้อายุไม่ต่ำกว่าแปดสิบยนะ ท่านก็ไม่รู้ตัวว่ายังเป็นปุถุชนคือสำคัญว่าเป็นพระอรหันต์แล้วนะครั้นวันหนึ่งภิกษุสงฆ์จากติดสะมหาวิหารใกล้บ้านมหาคามได้ส่งข่าวแก่พระธรรมทินนะเถระผู้อยู่ที่หาดทรายว่าขอพระธิระจงมากล่าวธรรมกถาแก่พวกผมคื อ, อพระภิกษุเนี่ยนะนิมนต์พระให้มาเทศให้ฟัง พระเถระก็รับคําแล้วคิดว่าภิกษุผู้แก่กว่าไม่มีในสํานักของเราแต่พระมหาติสะเถระเล่าก็เป็นอาจารย์ผู้บอกกรรมฐานแก่เราเราจักตั้งท่านเอาไว้ให้เป็นพระสังฆเถระแล้วจากไปเนี่ยนะก็ท่านไม่ธรรมดานะพระมหาติสารูปนี้นะก็สอนคนอื่นเป็นพระอรหันต์เยอะๆนะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้เป็นหรอกแต่ท่านสําคัญว่าได้เป็น ท่านอันพระภิกษุสงแวดล้อมแล้วก็ยังไปวิหารของพระเถระแสดงวัดแก่พระเถระในที่พักกลางวันนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระเถระกล่าวว่าท่านธรรมทินะท่านมานานแล้วหรือเนีน่ยนะพระธรรมทิน ะ, ะเถระกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอรับภิกษุสงส่งข่าวสารจากติดสมหาวิหารมาถึงกระผม ลำพังกระผมผู้เดียวก็จะไม่มาแต่กระผมปรารถนาจะไปกับท่านจึงได้มาท่านก็กล่าวสารานิยกาถาทวงเวลาให้ช้าๆสารานิยกถาแปลว่าถ้อยคำที่พูดให้ระลึกถึงกันนนะก็พูดทวงเวลาไปเรื่อยๆนะคุยกันไปเรื่อยแล้วก็ถามว่าท่านผู้เจริญท่านบรรลุธรรมะนี้เมื่อไหร่นนะก็ก็คุยกันนะคุยถึงไปเรื่อยๆก็เหมือนกับมรรคผลเลยแหละ ท่านบรรลุเมื่อไร่พระเถระกล่าวว่าท่านธรรมทินนะประมาณสักหกปีหัวกันนะบรรลุมาสัก60ปีได้พระธรรมทินนะก็เลยถามว่าท่านผู้เจริญท่านใช้สมาธิบ้างหรือพระเถระกล่าวว่าท่านขอรับนะนะใช่ใช้อยู่นะปกติก็เข้าสมาธิเป็นธรรมดาแหละท่านก็ถามต่อไปว่าท่านผู้เจริญท่านเนรมิตสะบกกรณีสักสะหนึ่งได้ไหมนะ เนรมิตสระสักบ่อหนึ่งขึ้นมาสิเหมือ น, นพระเทระกล่าวว่าได้อันนี้ไม่ไม่หนักนักเลยเหมือนกันอันนี้ไม่ยากว่าือนกันก็เลยเนรมิตสระบวกคารณีขึ้นมานะกเ็เสกบอ่อน้ําขึ้นมาบอ่อใหญ่ๆสักบ่อหนึ่งแล้วก็กล่าวว่าท่านจงเนรมิตกอประทมก่อหนึ่งในสระนี้แล้วก็เนรมิตกอประทมแม่นั้น น, น่ะนนคือบอกว่ามีสระแล้วก็น่าจะมีดอกบัวดอกใหญ่ๆสักดอกหนึ่งเหมงอนกัน เสร็จแล้วบอกว่าท่านจงสร้างดอกไม้ใหญ่ในกอปรทุมนี้นนะให้ดอกบัวดอกใหญ่เลยนะแล้วก็ท่านจงสร้างรูปหญิงมีอายุประมาณสักสิบกปีเนี่ยนะให้ยืนอยู่บนดอกไม้นั่นแหละแล้วก็ให้แสดงพระธีระก็เนรมิต ร, รูปผู้หญิงขึ้นมาบนยืนบนดอกบัวดอกดอกงามๆนั่นแหละลําดับนั้นพระธรรมทินะก็บอกว่าท่านผู้เจริญ ท่านจงสายใจถึงรูปหญิงนั้นบ่อยๆว่างามเนี่ยนะคิดว่างามแล้วก็ดูไปเรื่อยนะคิดว่างามคิดว่างามพอดูแลไปพักหนึ่งเนี่ยนะดูรูปหญิงที่ในระมิดขึ้นโลภะก็เกิดขึ้นเนี่ยนะก้าสิบนี้กิเลสก็ไม่ได้ลดอะไรนะถ้าสายใจโดยสุภานิมิตเนี่ยนะพ อ, อ, อจุดประสงค์ไม่ได้จะสร้างให้ท่านกิเลสเกิดแต่ให้ท่านรู้ตัวว่าท่านเป็นปุตชนเนี่ยนะท่านพอพอ ราคาจิตเนี่ยนะซึ่งปกติข่มมาได้ตั้ง60สิปีแล้วนะพอมันเกิดปุ๊บรู้ทันทีเลยว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะเหมือนกับว่าปกติแถวนี้ไฟไม่เคยลุกท่วมเลยนะอยู่ๆแล้วไฟมาลุกท่วมขึ้นมาทันทีเนี่ยเดือดร้อนละท่านก็กล่าวว่าท่านสัตว์บุรุษขอท่านจงเป็นที่พึ่งของผมนะก็เลยให้ลูกศิษย์เนี่ยช่วยเป็นอาจารย์ให้ทีบหงนกันท่านก็นั่งกระโยงในสํานักของลูกศิษย์นั่นแหละ นะปกติเนี่ยอาจารย์จะไปนั่งกระโยงคล้ายๆกับไปนั่งคุกเข่าต่อหน้าสิทธ์มันก็ไม่ใช่ฐานะอยู่แล้วใช่ไหมพออาจารย์กิเลสเกิดขึ้นไปคุกเข่าต่อหน้าหน้าสิทธ์เลยว่างกันอหอยสิทธิ์เป็นที่พึ่งให้หน่อยพระธรรมทินนะก็บอกว่าท่านผู้เจริญกระผมมาก็เพื่อประโยชน์นี้เองนะะพระรูปนี้ท่านมียพิญญารู้หมดอยู่แล้วก็เลยบอกกรรมฐานเบาๆเนื่องด้วยอสุภะแก่พระธีระเนี่ยนะนะเบาของท่านไม่รู้กี่ปอนะนะ แล้วก็ออกไปข้างนอกเพื่อให้โอกาสแก่พระเถระพระเถระผู้มีสังขารอันบริกรรมไว้ดีแล้วคือหมายคําว่าในการไคร่ครวนสังขารโดยเง่มุมต่างๆนะท่านเจริญไว้เป็นอย่างดีอยู่แล้วพอพระธรรมทินะนั้นอ่ะออกไปจากที่พักกลางวันเท่านั้นก็บรรลุเป็นพระ้าหันพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาอันนะั้นในวิสุทธิมัก บ, บอกว่าพระเถระรูปนี้เป็นโทคนโทสจจริตอันนะแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยวิธีจะให้รู้ว่า กิเลสเกิดก็ต้องให้สุภาพนิมิตเกิดจริงๆแต่ว่าโดยรวมแล้วท่านเป็นคนโทสะเจริต ก, ก็เลยบรรลุง่ายเหมือนกันลำดับนั้นพระธรรมทินนะเทระกระรรทําท่านให้เป็นพระสังฆเถร ะ, ระไปยังติดสะวิหารแสดงธรรมกถาแก่สง์กิเลสอันพรเถระเห็นปานั้นขมแล้วก็เป็นอันขมแล้วโดยประการนั้นนั่นแหลเนี่ยนะคือคือกำเริบนิดหน่อยพอให้รู้ว่ามีนะแล้วก็จเจริญวิปัสสนาจนได้เป็นพระอรหันต ส่วนในตัวอย่างต่อๆไปก็เป็นวันหลัง น, นะวันนี้ก็สมควรกันเวลา